เอาเวลานี้หาครูใหญ่ได้ มาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้ว เออสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความเสวย ไตร่ตรองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระ ก็รู้ชัดว่าเวลานี้ <c oughs> หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิมิตรคือที่ไม่เกี่ยว विद กามคุณก็รู้ หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ เรียกว่าเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรรู้ชัดว่าบัดนี้เรา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 ก็เพียงสรรเสริญว่าเป็นที่อาศัยด้วยดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายเธอย่อมเอง เรียกกลายเป็นว่าเอ้ยเค้าลือกันน่ะว่าเวลานี้ผมกลายๆที่สอนท่าน ว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อว่าองค์สมเด็จพระ ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้น อารมณ์ไม่เกาะอารมณ์ไอ้อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์และว่างทั้งอกุศลธรรมคําว่ากุศลเป็น อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านทั้งหลายเจริญพระกรรมฐานจุด มีการที่เดเวสสุขและเสวยทุกข์นี่มาดูต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อเสวยอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าเรา เสวยสุขอารมณ์ที่มีความสุขเวทนาก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่มีอมิตรเป็นสําคัญ ถ้าเราได้มาระวีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เกี่ยวไปด้วยอมิตรชื่อกามคุณวิ่งของไม่ดีนะครับ <c oughs>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 มันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของกามคุณกามะ ก็ต้องตัดชิ้น 4 หรือ 9 ย้อนว่าการมาคุณมันเกิดขึ้นเข้าไปตาม คิดว่าเป็นของที่จะตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดแล้วก็เลย ระจิตเข้าถึงสังขารุเปฆายานเมอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องในกามคุณทั้งหมด ตนว่าต่อไปหรือว่าเสวยสุขเวทนา อารมณ์ที่เราพอใจ 15 ประการเราจะทํา เมื่อขึ้นชื่อวจิตรของเราน้อมเข้าสู่ประการละ ถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานหรือว่าสุขนิยว่าหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มี ไอ้ทุกขเวทนาที่มีอมิตรนี่หมายความว่าของที่เราได้มา ถ้าเราได้คนที่มีความ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 ในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นด้วยอามิตรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ แต่ว่าถึงไกลก็ดีถ้าการ ความพอใจในวัตถุทั้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระ เมื่อเลวแล้วจงอย่าคบถ้าเค้าดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอ้สิ่งทั้งหลาย หรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะยงยายเข้าไปยึดถือจึงหมวดจึงกล่าวต่อไปว่าหรือ ทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาที่ เราจะมีสภาพสภาวะเป็นยังไงวีตก มันจะมีหรือไม่มีมันจะสุข 5 คือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจใน คำว่าแล้วกันไป 5 ต่อไปปล่อย 5 ประเภทนี้ไม่มียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวางเฉยในเมื่อ ฟังกันต่อไปถึงกล่าวว่าหรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสุขเวทนาที่มีอมิตรคําอทุกขมสุขหมายความว่าทั้งไม่สุขและ หรือว่าเรานั้นเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐานจับภาพ อย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของ ยังเป็นปัญหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือ 1 ปริกูลอาการ 32 เต็มด้วยความสกปรกธาตุ 4 ร่างน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมทรอมเป็นปกติ มันเป็นข้อหน้าเกรดมันเป็นข้อหน้ากลัวเราไม่ควรปรารถนาในมัน ท่านกําลังใจให้เป็นสุขท่านกําลังใจให้มีความเบื่อหน่าย ไอ้เวทนาในภายในก็หมายความพิจารณาเห็นเวทนาในกายของ นั่นก็พิจารณาว่าเรามีความรู้สึกทุก เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับ มันจะมีความดีอะไรสําหรับการเกิดท่านกล่าวไว้ว่าย่อมพิจารณาหิธธัมมดาคือตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ <c oughs> นี่ๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือ <c oughs> คือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกข์หรือว่าเวลานี้ไม่ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้ง 3 ประการที่ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเหลืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> จะเป็นวัตถุก็ดีรอไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็น แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ นิวเหธนนาอนุปัสสนามหาสุติปทานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านผู้ขาวจนะทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยา